มีอะไรคอยเฝ้าดูแต่เรื่องของหัวใจสังเกตอยู่นี้เฝ้าอยู่นี้รักษาอยู่นี้เ ป, นเป็นประจำไมไ่ปล่อยมือเท่าไหร่นักนะยิ่งเวลากำเริบไปแล้ว น, นั่นแหะยิ่หัวเรี้ยวหาต่อูาภาษาของเราโลกบอกเถื่อไม่ได้เถอเป็นไปเลยต้องได้ตั้เอาไว้บังคับกอนให้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 มันรู้อยู่ภายในเวลาหอบเขาห้าขึ้นมานี่ถ้าธรรมดามันสลบไปเลยมันสลบไม่สลบ ก, ก็ตายไปเลยมันแรงขนาด น, นั้นพอมันหอบขึ้นมานีลมขึ้นมาข้างบนหมดข้างล่างไม่มีลมเลย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 ันดารมเนลงอย่างรวดเร็วชิดหอไม่ันมันยังเหลืออยู่แล้วก็นาหอกับเวนนี่มันเป็นเหมือนรถที่มันสะดวกเหมือนน้ามันไม่สะดวกกระตุกกระตุกกระตุกกระตุกเหมรถไปกระตุกกระตุกวิ่งไปแล้วกระตุกกระตุกเป็นนักะ ตอนสี่4โมงเริ่มเป็นมันก็มีเริ่มรู้เรงไรเท้าดีแล้วพอ5โมงกวามวนั่นก็เป็นแบบรถนี่นแบบที่นี่แสดงอย่างชัดเจนกุบขับกุบขับรมหายใจไม่มหาหัาใจ มันกระตุกกระตุกมันจะไม่ทำงานเหมือนม้งใจจะไม่ทางานต้องอยู่คนเดียวกันอุ่นขึ้นไปก็บอกให้ลงอยู่คนเดียวเวลานั่นจะเกี่ยวข้องกับใครไม่ได้แม้แต่หม อ, อยังเข้าเกี่ยวไม่ได้ดีกว่า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 ธรรมะมี ต, มวตกวงคณะโดยมีคณะในวัดนี้ด้วยเพียงเราสุขภาพเราลดเราไม่ค่อยจะได้ทำอะไรเต็มหนักเต็มหน่วยเกี่ยวกับหมู่บ้านมันก็เห็นความเลวไหลของพระของหนึ่งเด่นขึ้นเด่นขึ้นนะะแล้วก็ยิ่งมาใหม่เรื่อย มีเท่าไหร่นพระฮะก็หมดเท่าไหร่พระเท่าไหร่เลี้ยงเท่าไหร่ฮะสามสิบเจมตรสมาใหม่เลยขับปนแล้วคนกัน ม, มาและเกะแล้วกัดะกะขวางหูขวางตาอย่างนั้นเจ้าขวางมัไม่รู้ เกล่อนเกล่อก่างกงมันต้องที่ว่าตั้งใจมาศึกษาจะดูแล้วมันขวังมันเราไม่อยู่ก็ต้องแน่ใจว่าเป็นในจันแต่เราอยู่มันเห็นจะเห็นแต่จะมองเราพักปิดไม่อยู่เห็น ตลถึงการส่งเสียงเหมือนกันมันลงที่เกียแล้ว่อนมันทำให้ผิดปกติไปโดยลำดับลนาเพราะครูบาอาจารย์สำลุดชุ่ม่วงไม่ค่อยจะใดอบรมสั่งสอนก็เป็นอย่างนียวัดทั้งหลายที่เห็นนั้นอันนี้เลยหากฎหาระเบียบไม่ได้เลื่อเลือเถอเถอะ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 ลาดค่าขายจ่ายที่เหลืกันไม่มีทำเป็นเครื่องจ่ายต่อกันกานรต้องร่องอวดดีปวดดีทะเลาะวอกแลวกเพราะที่ถีมานะชิงล้วนแล้วแต่ที่เหลทอทำนั้นออกจ่ายกันเลจ่ายมากจ่ายน้อยจ่ายทัววัดทั่วว่าทัวพระทั่วนี้ เขากะขาก็มีคนนั้นออกจ่ายคนนี้ก็ออกจ่ายสุดท้ายก็เลอะไปหมดเลยมีชีวิตเต็มหมัวใจ่ถึงประชาชนได้โดนเข้ามาเกี่ยวข้องอย่านี้เหมือนกันเราไม่ได้ไว่าจ่ายภาษีเราจะปฏิบัติรอบครอบต่อเขาเ่็นไร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 มันก็ไม่เหมาะมันอยู่ในฐานะของพระในอาวุโสพันเตของพระนะผู้ใหญ่พูดเป็นอย่างหนึ่งผู้ใหญ่ดุเป็นอย่างหนึ่งข้าเนรทั้งหลายดุเป็นอย่างหนึ่งดุเอาเความรู้สึกของคนจะไม่เหมือนกันครูบาอาจารย์ดุเขามีความรู้สึกอย่างหนึ่ง แต่ถ้าเน้นไปดุเขาจะมีความรู้สึกอย่างจะเป็นเง่ลบไปหมดมมนมีคำว่ า, าเง่บวกแม้ครูวาจาดุยัง ม, มีเง่บวกถึงจะมีเง่ลบบ้างตามนิมสัยของเขาแต่การแสดงออก ครูว า, าจารย์ก็เป็นหนักคุณธรรมอยู่แล้วก็ไม่เสียแล้วเขาไม่เพ่งเล็งอะไรมากเหมือนผู้น้อยถ้าผู้น้อยไปใช้ริยาการอะไรกับเขามันจะผิดผิดกันอยู่มากกับครูวาอาจาย์แสดงออกดนงนี้พากันระมัดระวัง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 นี่เราวิตกมากเรื่องนี้แล้วมันก็มีได้ในวัดเราทำไมไม่ได้คือเราสอนเพื่อวัดเรานีด้วยก่อนอื่นสอนพนอระเนรนี้ด้วยก่อนเลเพราะพระเนนเราจะเป็นเนื่องจากญาตโยมก็มาเกี่ยวข้อ ง, องมากน้อยอยู่เสมอผมอยู่ผมมาอยู่ผมก็มาอย่างนั้น การปฏิบัติต่อประชาชนน่าดมจะเล่ข้อผ่านันไหนดูภาพดูเนียนที่ควรจะเล่าข้อไม่เลาข้อมันก็เห็นกันอยู่ชาดๆนี่แล้วจะให้วาใจที่ตรงไหนว่าจะราบรื่นดีงามต่อกันตอนนับตับสู่กันมันต้องมีเป็นแบบฉบับของนิสยัยเจ้าของนั่นแหละออกไปแบบหลักธรรมหลักวิ น, นัย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 ถ้าเกิดประโยชน์อะไรผมไม่ใจะอยู่กับหมู่กับเพื่อนตลอดไปถ้ามันเป็นนังที่เคยเป็นมาแล้วมันต้องได้ตีเนื้อตดตัวอไปสงบปารมณ์พอให้สบายสบายแล้วก็กลับมาลวพาละเกี่ยวข้องกับหมู่คณนะมันเป็นสำคัญยิ่งกว่าอันดับอื่น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 อย่างผมใครก็ไม่ถือสามันผิดกันหรือว่าอะไรภายผมก็ว่ามาพอแล้วประชาชนได้ยมไม่ว่าจะาชั้นวันหน้าใดเหตุผลที่ควรจะพูดหนักเบามากน้อยที่เห็นสมควรนะเราพูดได้เท่านั้นเราแล้วพูดแล้วก็ไม่ได้เป็นอารมณ์ว่าได้ขัดข้อใจขพอใดพูดหนักไปหรือเบาใจอย่างนี้เราไม่มี เพราะเราแน่ใจในเหตุในผลที่พูดออกไปหนักเบามากน้อยเรียบร้อยแล้วใครจะนับถือไม่นับถือเรื่องใส่ไม่เรืงใสนั่นเป็นเรื่องของคนเรื่องของทรามต้งงงงองรงเส้นคงว่าให้ถูกต้องตามหลักเหตุผลทั้งแง่หนักเบามากน้อยในการพูด <c oughs> เราจึงไม่ได้ยึดตัวิจารณ์ทั้งเราเราแต่เพื่อนมันจะพอดีหรือไม่พอดี ถ้าจะความไม่พอดีแล้วมันจะแสดงออกความไม่พอดีนั่นแหละเป็นส่วนมากตรงพากันน้ำมันระวังเราอยู่กับโลกมันไม่เกี่ยวกับโลกเลยพี่นี้เอาโลกมาพี่เป็นนาเพื่อปฏิบัติต่อการให้เหมาะสมจะทำยังไงมันก็ต้องเลยปฏิบัติต่อการอย่างที่ว่านี่อยู่โดยดี มาทุษาโอลลมอย่าให้โดยหนักอกหนักใจนะให้ท้งหน้าต่างๆาคือปฏิบัติเอาหลักเอาทำหลักวินัยเป็นกฎเป็นเกณฑ์เอาคําพูดคาจาที่มีเหตุมีผลของกันและกันซึ่งแสดงออกด้วยเหตุดยผลเป็นหลักเป็นเกณฑ์อย่านําก่เรศมาพูดมาแสดงต่อกันถ้าอยู่กับครอาจารย์ก็ตามไม่อยู่กับครอาจารย์ก็ตามผิดทั้งนั้นเพราะเวลานี้เรามา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 อาทันมันชำรุดไม่ได้ชำรุดเหมือนโรกโดยทั่วไปเหมือนโรคทั้งหลายโรคชนิดต่างๆทั้งหลายที่เป็นนี้โรคันนี้มันโรคตายง่ายเลยจริงต้องในระมัดระวังอยู่โดยลำพังเจของนอกจากจะพูดถึงไม่พูดพูดไปมันก็ผลเสียมันก็มีแต่ไม่พูดมันก็มันก็ ไม่ได้ข้อคิดที่จะเป็นเครื่องเตือนตนเองให้มีความเข้มแข็งในอดในธรรมในความภาคเูืิอนก็จะมานอนใจอยู่นั้นมาเป็นของเที่ยงของหนาท้าวอ่อนมีแสดงไม่เห็นไม่นำพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านพูดผมไม่ได้ลืมนะเวลาลงพอสุ์สำรักกรรม ตอนบ่ายโมงเพราะพร ะ, ะมีจำนวนมากมาจากที่ต่างๆต้องเอาบ่ายโมงเป็นเวลาฟังปฏิโมกข์เป็นวัดนี้เป็นศูนย์กลางอยู่วัดนั่นวัดนันว น, นัเต็มไปหมดในตำบลแถวนั้นท่านล่านนักต่างองต่างมาห้าสิบหกสิบพระคนเลนที่ติดตามพระมาไม่นัก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 เหาจะเข้มแข็งความภาพความเปลี่ยนอะไรก็ให้เข้มแข็งมีความรู้ความเป็นมาภายในจิตใจเอาให้มาถามมาเล่าให้ฟังพิสุทธิ์เท่าจะแก้ให้นะภาวนาสัตยนมีแต่พิสุทธเท่าพิสุเท่ า, ม, า, ามีเวลาพิสุทธเท่าตายแล้วยากนะใครจะแก้ด้านจิตใจทางด้านจิตตะภาวนานะท่านว่านี่ไม่นานนะนะนย่ำลง ไม่เลยแปดสิบนะมาฟังเลยทานรู้ตรงหน้าไป ห, หมดแล้วชุดยืด่นเข้าไปยื่นมาไปกัน น, นี่เป็นนับข้อมือให้ดูหลายครั้งเราหนเข้าไปนี่เวลานี้อายุเท่านั้นแล้วนะแล้วคนนับไปเท่านั้นเท่านั้นทนั้นพอถึงจุดแปดสิบก็นี่นะมันนานอะไรจะมาพากันมานอนใจอยู่ได้เลย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 เรก็เพิ่งพาใส่ร่มเมาท่นแก้ขอดเขาทำที่สงสัยมันก็เร่นความเปลี่ยนเขาเตที่เต็มที่นี่พอท่านพอย่างเขาแปดสิบปั <c> ๊บ <oughs> ท่านก็เริ่มป่วยอพอป่วยแล้วก็ท่านบอกไว้เลยเจ้าเหน่ยตั้งไป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 ไม่มียาขนานดใดในโลกนี้จะมาแก้ให้ไข้ไข้นี้คือเป็นไข้สุดท้ายแต่มันไม่ตายง่ายนะนเป็นโรคทรมานเราเรียกว่าโรคคนโรคคนแก่ทันวางนี่เดีย๋ยวไปหาอยู่ขายามาใส่มารักษาเป็นไปตามสภาพของขันนี้แ่ละอันวานั้นเอามารักษาก็เหมือนกับ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 ทำที่ออกมาจากภาคปฏิบัติออกมาจากกิจเต็มด้านต้ดนดว น, ด น, ดนจะไม่ปรากฏในตํำรับตําราเลยเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรเอกเตรียมตํำรับตาํารานั่นมากาั้นมากลางมากาีดมากันความรู้ที่จะเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติของผู้ปฏิบัติเท่าไบางพระพุทธเจ้ า, จากัดสรู้มาแล้วทำมีขนาดไหนชงแสดง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 เลื้อฟื้นออกมาได้เต็มกำลังความสามารถแห่งภูมิพระาหาันองค์นั้นๆนนจนได้ความคิดออกมาถ้าเป็นปุริชนนะก็จะได้แต่ความเกิดความจำมาอย่างลอยๆผ <c oughs> <c oughs> ิดกันอย่างน้นเพี <c oughs> ยงในสมัยปัจจุบันนี้อย่างพ่อแม่ครูอาจารย์ผมนี่ไม่เอาไม่มีใครที่จะอามาก แ่นกันได้แล้วผมยอมรับดั่พูดว่าไงปัญหานั้ น, นวันหนึ่งวันหนึ่งถ้ามาเกิดขึ้นไนม่มีประมาณเลยนะตั้งเลยสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้ขึ้นมาไม่เคยเห็นเห็นขึ้นมาไม่ว่าส่วนหยากจนกลางส่วนละเอียดไม่คาดไม่ฝันว่าจะรู้จะเห็นจะเป็นขึ้นมาเป็นขึ้นมาอย่างสุดๆร้อนๆไม่มีการสถานที่ พิยาบทเลยจนหวาเป็นขึ้นมาได้ทุ ก, ท ก, ทกวเวลามเวลามันตัง อ, อยู่จึงได้เชื่อเื่องพระพุทธเจ้าภูมิของศาสดาวหวาอย่างนั้นกว้างขวางลึกซึ้งเท่ากับท้องฟ้ามหาสมุทรหวานก็จิตดวงนั้นเป็นสถานที่เกิดแห่งธรรมทั้งหลายแล้วลบล้างกิเลสซึ่งเป็นผู้ผิด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 ทั้งนั้นหรือมีแต่ทำออกแสดงล้วนๆความจริงเต็มฝัดเต็มส่วนนี่แหละต่างกันอย่างนี้จิตของท่านผู้บริสุทธิ์กับจิตที่มีจิตเดชคอยจีบ ค, ค, ค, คอยขว้างคอยบีบบังคับอัดทําให้เกิดไม่ได้มันต่างกันอย่างนี้สิ่งที่เคยรักก็ไม่รักนะ่งที่เคยชงังเคยเปียดเคยโกรธมันก็ไม่มีอะไรมาเปียดมาโกรธมารักมาชังเพราะมันหมดสิ่งเหล่านี้เป็นจิตเดชเท่านั้น มีแต่ลัธรรมชาติตามความจริงความจริงเห็นแล้วผ่านไปรู้แล้วผ่านไปได้ยินแล้วผ่านไปโดยไม่ต้องจิบ ต, ต้องขวางต้องต้านทานกันต้องบังคับบัญชาต่อสู้กันเหมือนแต่ก่อนยังไม่เห็นได้ยินไม่ฟังก็ผ่านท่านาน่นคิตของท่านผู้บริฝุกเป็นอย่างนั้น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 มันถุดลงไปถุดลงไปเรื่อยๆเพราะมันมีอยู่ในนั้นมันดึงดูดมันถุดมันลากตลอดเวลาทําไม่ฝืนกันจริงๆเนี่ยไปไม่รอดใช่ไหมมันจนกว่าสติปัญญามีกําลังเพราะความเพียรหนุนไม่หยุดไม่ถอยจิงตามซามทั้งหลายนั้นมันค่อยลดตัวลงไปลดตัวลงไปกําลังของธรรมจ้า เพิ่มขึ้นเรื่อยๆต่อไปก็กำลังทางฝ่ายด้านธรรมานีมก็หนักมากกว่ามีกำลังมากกว่าเพาำจัดกันได้ง่ายได้ง่ายลงไปดูนครับเคืนถึงกนหนักดกตัวฉลาดมันหมอบมันหลบมันหลีกแล้วตามป้อนกันมาด้วยอาตมาธรรมด้วยปัญญาอย่างเกลียงไกล่เอาลือ้อพื้นึีนมาได้หมด โลกต้อนอยู่ที่ไหนก็ไม่มีเหลือถึงขั้นปัญญานี้ด้เกิดขึ้นแล้วกิริยะมีกี่ลานับวันไม่เลยนี่เป็นอัตโนมัติเป็นลั ร, รมชาติเพราะฉะนั้นพระอนาคา ม, มีท่านตั้งแต่ได้ระดับพระอนาคา ม, มีแล้วจึงเป็นอัตโนมัติในจิจดวงนัยเช่นเดียวกับผลไม้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 าชาติชั้นเ อ, เอกระพี้มาเกิดที่ชั้ชาติเดียวหรือสําเร็จพระโสดานแล้วขึ้นอาลัตละหันเลยในชาตินั้นก็ได้แต่ส่วนมากที่ว่าเอกระพี้ฉีชาติเดียวนั่นก็คงหมายถึงมันมาเกิดอีกชาติเดียวผู้ที่บรรลุพระโสดาแล้วก้าวไปเรื่อยเช่นพระอนนม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 คือมันหมุนไปเอง ต, ติตปัญญามหมุนเป็นเองความเพียรก็เป็นไปเองไม่ต้องบังคับบัญชานอกจากต้องร่างเอาไว้ในการที่ควรร่งางวาความทอดแฉะอ่อนแอเหลือหลความขี้เฉียจขี้ข้านซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสนี่หายหน้าไปหมดมีแต่วความบึกบืนมีแต่วความมุ่งมั่นมั่นเพียรให้หลุดให้พ้นโดยไถ่เดียวเท่านั้นเต็มหัวใจ สติปัญญาก็หมุนตัวไปอย่างนั้นความเพียรก็เป็นไปตามกติปัญญาเย็นเดินนั่งนอนอยู่นั้นมีแต่ความเพียรที่จะละจะถอดจะถอนที่จะหลบจะดีบที่จะแก จ, จะไขที่เล็ดดูภายในจิตใจตลอดเวลานั่นเป็นอัตโนมัติอย่างนี้มันก็ค่อยเปลี่ยนภูมิตัวเองไปในนั้นเปลี่ยนเข้าไปเปลี่ยนเข้าไปผลสุดท้ายก็พุ่งถึงหลักชัยโดยสมบูรณ์ในชาตินั้น คือมันเป็นเองมันรู้ชัดๆยูภายในใจดังั้นพระอนาคามีเมื่อตายไปแล้วท่านจริงเมื่อกลับมาเกิดเพราะเป็นหลักธรรมชาติอย่างนี้แก่ไปเองแก่ไปโดยหลักธรรมชาติเหมือนผลไม้ที่มันแก่จนที่แล้วมันก็เริ่มหามหามมไม่ไปสุขมันจะไปไหนมันก็ต้องไปหาความสุขมองมีกิจมอสุขเหมือนกัน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 ตังใจปฏิบัติดย่าหล่อหล่อเลยแหละเลี้ยวๆไหลๆให้หนักใจอุธส่าห์ให้พ้นจากทุกข์ไม่ใช่พูดหล่อหล่อเลยหลความหล่หล่อเลยแหละเลีเลเลเลยวๆไหลๆมันเป็นเรื่องของจิตทางานบนหัวใจเราบนกายวาจาใจเราไม่ใช่เรื่องธรรมความจริงความจังความมุ่งมั่นต่อต่อธรรมความภาดความเพียน เ ป, เป็นเรื่องที่จะชำระกิเลสนั่นเท่านั้นเป็นเรื่องของธรรมพากันตั้งใจกับไปปฏิบัติผมเรื่องเป็นห่วงห่วงหมู่เพื่อนไปอยู่ไหนก็ห่วงเพราะก็ออรู้แล้วว่าต่างองค์ต่างมาหวังเพิ่งเรา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 คนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีมองกันในแง่ไรเรื่องความผิดความพลาดนั้นมันมีได้มจะเกนตนาดีขนาดไหนมันก็มีได้ด้วยความไม่รอบคอบด้วยความไม่จงใจแล้วก็ตะเตือนสั่งสอนหรือบอกกล่ากันให้รู้เรื่องรู้เร่าผู้ฟังก็ให้ฟังเป็นธรรม ผู้สอนก็ใสอนเป็นธรรมยาวพิเียดออกไปทำงานทั้งการสอนการว่ากันผู้ฟังก็ยาวพิเดิดมาฟังมาทำงานด้วยให้ทำต่อทำเข้าผสานกันผลประโยชน์จะได้ทั้งสองฝ่ายอยู่ด้วยกันด้วยความสนิทเหมือนอวัยวะเดียวกันจะมีต่างพอ่อต่างแม่ต่างบ้านต่างเมืองอะไรไม่สำคัญงคิอว่าทำแล้วเสมอไป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 ยังเป็นเหมือนแต่ก่อนมันเป็นไปไม่ได้พูดคำสองคำเข้าไปข้อสิ่งเหลนี้ธาตุขันนีมันไม่เห็นแากใข่เมื่อขัดกระมันเมื่อไหร่มันก็แสดงผลไม่ดีเช้นไเห็นดูดยลำพังจะของ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 ทนไปได้ยังไงมนุษย์เรามันตายได้ต้องยีโรบดีปิดตัวผ่อนพันท่านยาวต่อกันพอให้สะดวกสำหรับโรกนี้จะได้อยู่ไปยืนนานกว่าปกติมีนยืนนานกว่าการหักโหมมันเราจะพูดธรรมา ก, กทราบหนง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 ถึงเวที่มันพูดไม่ได้มันคิดไม่ได้จริงๆะมันรู้ในเจ้าของมันเป็นอยู่ที่ภายในในหมอกใจนี่มันเป็นอยู่ที่ไหนภายนอกดีอยู่หมดส่วนภายในนั้นมันไม่ดีเลยจะว่าไงต้องในนรรมนตวัวว่างรักษาเจ้าของอยู่ตลอด สุขภาพของเรา็ยิ่งลดลงลดลงภาระที่เกี่ยวข้องก็ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นนี่ที่มันมาทับทุ่มกันทุ่มกันเป็นอย่างนี้ทำให้พยายา ม, ร, า ม, ะมาระมัดระวังให้ ม, ม, มากมันไปไม่ตลอดจริงๆการให้มีสัยผมก็ไม่หน่งใจ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 เราจะไปไหนมาไหนวันไหนวันไห น, ห น, หนให้แล้วให้เราหลวงก็ไม่ได้เยอะแล้วอะไรเนี่ยมันหลักความพึ่นพินหลักตั้งสจเพื่อปฏิบัติเนี่ยเป็นนิสัยแทนไปก่อนกินมาใหม่ก็มากไม่ได้หรือเนี่ยพระ ขึสนมาจากจังหวัดไหนต่อจังหวัดไหนมาหูมีกามีให้สหําหียศึกษาดูกันนะอยากให้ผู้เก่าที่อยู่แล้วหนักใจมากหนักมากอยู่นะผู้มาใหม่เพราไม่เข้า อ, อกเข้าใ จ, จเก่งๆก่างๆขวางหูขวางตาขวางไว้ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งๆที่มัมีเจตนามันก็หนักใจได้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 หลังตั้งเอวก็เป็นผมไม่อยากให้หมู่เพื่อนรู้เห็นอาดเห็นทำดังที่ศาสดาและสาวกท่านรู้ท่านเห็นท่านเป็นอย่าว่าเอาอาดีตมาเป็นอุปสรรคมาขีดขวางตัวเองแล้วอนาคตมาขีดขวางตัวเองซึ่งกิเลสมันไปฆ่าต่อไว้ปิดทางเอาไว้ ครั้งนั้นตานสําเร็จมรรคผลนิพพานรอท่านอยู่ครั้งนี้ไม่สําเร็จเพราะว่าผลนิพพานไม่มีท่านนิพพานนานไปแล้ววิเหลศอยู่บนหัวใจมันมีชา้ามีนานที่ไหนถ้า ล, ลองคิดอย่างนั้นเลยวิเลศมันคือวิเลศอยู่ในหัวใจของทุกคนธรรมก็คือทําเป็นเครื่องแก้วิเลศในหัวใจของพทุกคนเมื่อผิดขึ้นมาชาย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 เวลามีกิเลสมีมากมันก็มีแต่เรื่องของกิเลสทำงานบนหัวใจแล้วผิดทาขึ้นมาไม่อยู่ไม่ถอยทำก็เริ่มปากรขึ้นแล้วมีมากขึ้นมากขึ้นทั้งเพราะทำงานบนหัวใจไล่กิเลสออกไปเรืเร่อยๆนกิาเป็นความบรู้สึ์ขึ้นมาน่าเหมือนข้างพุทธกาลที่ทำมาศาสนาล่วงไป ห้าพันนั่นจะหมดนั่นก็หมายถึงความรู้สึกความสนใจของผู้ใฝ่ทำมันด้อยลงด้อยลงจกนกระทั่งหมดไปไม่มีใครสนใจหนักในธรรมเลยศาสนาก็หมดไปในหัวใจผมนั่นต่างส่วนความกิ่งเห่ยงธรรมแท้ความกิ่งเห่ยงกิเลสแท้ไม่มีอะไรหมดคงเส้นคงวาอยู่ในหัวใจ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 หรือไม่ผิดขึ้นมาทำถึงจะปรากฏหรือไม่ปรากฏเท่านั้นตอนเช้านีน่ลงมาสลาเวลาเท่าไหร่ระยะ น, นี้ก็ประมาณหกโมงที่สุบก็พอดีอย่างที่ผมได้สั่งไว้นั้นเัระไม่ได้เช้าจะเดินเกินเหตุเกินผลคือต้องการสว่างมาถึง เวลามาทำงานที่สลาเนะี่ยประมาณยี่สิบนาทีก็ับทันไม่ใช่หนระ้อทันกับการบินจบาัตเวลาบินจบบัตรเราคิดว่าจะทันมไม่เช่าจนเกินไปบินจบาัตนั้น ท, ทนะั้งรวมนะการรับบาดก็ให้มีความเคนะารพในการรับเคารพธรรม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 กะชาหเร็วก็จะมาจะมาวิจารวิจารกับผมผมก็ไปของผมเองําในลลาผมจะวนไปมาถึงก่อนหลังก็ไม่สำคัญผมไม่ได้ให้ เ, เพื่อนยิบร้อนเพราะผ ม, ไ, มไปโดยอดโดยธรรมมาโดยอดโดยธรรมออะพูดไปนาเหนื่อยแล้วเอาละพอละ ตอนนี้มินตะบานมันสองสายหรือนี่อย่าให้มาเป็นข้อหนักใจเถอะเราตั้งใจทาพิชปฏิบัติสายไหนก็บินตะบาดไวขนาดเรานี่อย่าว่าจะแท่นี้ใกลกว่านี้กับไปเถอะมันไมไ่มีอะไรเหน็เื่อยเมื่อล้าเลยผมเคยพอแล้วไปอยู่ถึงเจ็ดแปดกิโลก็อยู่ในถ้าออกมาหมู่บ้านเท่าไหร่ 3-4 มกิโลอยู่ทั้งนั้นแหละไม่มดได้มัดวิโตวิจารนอกมันไตเกินไปไม่หนีมันไม่เมื่ยย อ, อยเดินไปกะพาวนาเรื่อยไปถึงบ้านเั็นสบายมาแล้วก็มาถึงพลามหินที่ไหนมีน้ำปั๊บเที่ยงของนำ้ำเรากลับไปไว้นนัแล้วเอาไปด้วย ออกมาก็มาฉันยาตะมันไกลฉันเสร็จแล้วก็ไปโยก็ติดตามมาสักคนหนึ่งทนของเสร็จของเหลือละอะไรเขากลับย้อนออกมามันมีนะเราก็สะพายบาดเป่าขึ้นกี่วนนันค่อยลงมาไม่ใช่ไปมาทุกวันนะเป็นอย่างนั้นความทุกข์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 ก็ร อ, อดเดี๋ยวนี้ใช่เราจะฆ่ายิเรศเพราะความอดความอดนั้นเป็นเครื่องหนุนให้ทําความเพียรสะดวกตรงนั้นนั่งธรรมาดาผมผมนั่งธรรมาดาสามชัวงมงช่วโมงสี่ชั่วโมงนี่ถือเป็นธรรมาดานะกลางวันไม่นั่งมากชั่วโมงนึงก็ อ, ออกแล้วลงทานังกลม จริงหน้าหนาวเรากลางวันยิ้สมสวรรคไม่นังมากแลกลางคืนมันหนาวมันอู้หนาวตอก่อนมันเป็นยังไง น, นะทั้งๆ ท, ที่เราก็หนุ่มน้อยอยู่นะหนาวจนจะก้าวขาไม่ออกน้ำค้างนี้มันพ่อสองถุ่มนจะเริ่มตกแล้วนะตกลงจากใบไม้ตกตับตดตับสามทุ่มสีทม่ทุ่มเที่ยงคืนไปแล้วมันเหมือนหาฝน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 ลังคาตีนุ่นงน่องอยู่นะจะผ้าห่มผมมีสําคัญที่ผมไม่เอาผ้าห่มไปนหนาวขนาดไหนก็ให้มันสามผืนตัวเนี้ยอีวอร์ภาพคลื่นลังคาตีภาพคลื่นให้เท่านั้นนี่เวลามันนอนไม่หลับจันกินตรงนี้บางคืนก็ลอดลูกเลยนะอังคือนาวขนาดนั้นนี่ต้องนั่งมากพรานั่งเนี้ยมันก็สงบความหนาวสงบปิดเข้าในแล้วมันสงบสบาย คืนหายเงียบแปเพราะถึงเพราะถอยจิตออกมาแล้วจะเริ่มนอนมันหนาวขึ้นมาแล้วนี่มันก็นอนไม่หลับจะตายอีและต้องลุกขึ้นอีนั่งอีสุดท้ายก็สว่างบางคืนขนา น, นั้นนะนีก่กลางวันเราจึงต้องจงวันเวลาพอฉันเสร็จแล้วล้างบานรล่าง่น า, งานาา น, าา น, าานีเ้เอาปัญาต่อใต้เตียงใต้แช่ด้วยเข้าท่านกลมเลย บินาบาทคนเดียวฉันคนเดียวมันจะไปเสียวเวลาอะไรท้องาังของผมตั้งแต่เมือจากนั้นก็เดินกไปจนทั้งสามสีชั่วโมง5้าโมงพลิเที่ยงจึงจะออกมาจากทาง้งฟั ง, ฟงก็มาพักเพราะมันมันพักไม่ได้ถึงคึงก็พักครับพอตื่นไม่มาก็นั่งภรวนาแล ไม่้เลยเชั่วโมงอะ่ะน้อยๆดังนั้นลงทางกรมเลยให้เดินมากเดียวพเพราะเผือกงคืนเดินจนนั้นมันเมื่อยแต่มันก็ไม่ยอมเมื่ อ, อยนั่นแ่ะมันแข็งแรงเลยจกนกร้ทั่งถึงเวลาปัดกวาดปัดกวาดก็เรียนจับแท้งถึงจะออกมาปัดกวาดแล้วก็ไปอาบน้หมุวนลูกอาบที่ ไ, ปไปหนไปนาวนานั้นมันก็อาบได้ แล้มาแล้วเข้าทางครบอีกจนกมะทั่งมันจะกล้าขาไม่ออกแล้วที่นีเข้าที่ห้อนั่นแล้ว ห, วหนาวจริงๆจะขอนหนาโอ้โหจนหน้ามึงแตกหมดนั่นตกกะตามร่างกายแขนนี่ตกกะไปหมดเลยหนาขนาดนั้น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 นั่นนี่มันก็ก็ไม่คาดในฝันว่ามันจะไปสู้กันหนักขนาดนั้นนะมันะมักเป็นในจังหวะของมันเลยทุกเกิดขึ้น ม, นมากมันก็คึกคักที่ใจโอ้โหเวลาจะตายมันไม่หนักกว่านี้เหลือนี่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 มันจิตก็ฟุ้งทุกข์มัมากขึ้นหรือฟุ้งปัญญาไปเข้าไปจิตมันฟุ้งไม่ได้นะเราปัญญาลวงสมาธินี่มันอาจฐานนะโออาจฐานผิดผิดคาดผิดหมายอาการจิตดวงที่มันลงเต็มที่ของมันก็อาจารย์อาจารย์ติปัญญาที่มันหมุนมัน ฟ้าต์มันเหวี่ยงกันก็อาศัยการมันเกิดของมันถึงเวลามันจนเก่อแล้วก็ที่บัญญัติอยู่เฉยไม่ได้นะมันหมุนตัวเองเลยวงซ้ำมันรอบทิ่มันถึงลงถึงที่ที่เพราอมันได้ของอาจารย์นี่มาแล้ววันหลังนี่มันไม่มันยิ่งกล้าหาญรู้วิธีลบหลีกตัวรู้วิธีต่อสู้กับเวททุกเวทนาแสนสาหัสเอาลงได้ลาบได้ในขณะนั้น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 เอาตุมบอนสองครามกันนั้นนะอันนี้ก็ทุกอันหนึ่งที่บังคับจิตมันจะคิดไปไหนไม่ได้วางนันนเองนะมันคิดอยู่ในกายเท่านั้นบังคับมันอยู่ในนี้เต็มที่แต่ที่มันสำคัญก็คือเรานั่งตลอดรุ่งวันไหนไม่เคยพลาดนี่เรื่องจะได้ความอัจฉรย์มันไม่เคยพลาดเลยเป็นแต่เพียงว่า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 มีวันมันลำบากนี่ต่อมามันก็เป็นบทเรียนนะมันก็บลูกแต่วันไหนมันลำบากมากวันนี้ลูกก็จะต้องตั้งท่าต่างๆจับขาดึงออกแล้วนั่งสมาธิต้องจับขานี้ไปวางไม่จับขานี้ออกวางไว้นั้นนะมันไม่ทำงานเลยวางไว้ยังนั่นซะก่อนลนะต่อไปก็ค่อยเลื่อนลงค่อยเดินไปค่อยรู้สึกตัวขาก็ค่อยรู้สึกแล้ว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 มันไหนมันบอาจ้ำ่ากี่าอวะส่วนนี้ก็งมันไม่รู้เลยจับดูมก็ไม่รู้เลยตอนไหนจับมันออกนี่แล้วที่ว่าเป็นเหลักของจิตจริงๆหลักสมาธิที่อานหารมากก็ได้อยู่ที่บ้านนาำมน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 ทำเว้นป่วยแต่มันก็ไม่ป่วยในบัญชาไม่ป่วยมีกานหนักจริงๆต้องความเพียนเนี่ยคิดว่ากลัวกลัวตรงนี้อนี่ยพรรษานี่เป็นพัญษาที่น่ากลัวมากที่สุดมันหัวมันเด็นที่อีกก็ได้หลักในพัญษาเนี่ยที่กิดได้หลักสมาธิแน่นปังปังเป็นเหมือนหินเลย